มีใครอยากจะถามอะไรไหมเคล็ดลับของความสุขอยู่ที่ความไม่คิดไปในทางความอยากต่างๆจะไม่คิดไปในทางความอยากก็ต้องหันหยุดคิดก่อนอเราอย่างควบคุมความคิดไปได้ปล่อยใจเราคิดอยู่เรื่อยๆ แล้วคิดส่วนใหญ่ก็คิดไปในทางความอยากอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากจะไปโน่นอยากมานี่พอเกิดความอยากแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้รู้สึกอึดอัดหงุดหงิดนำคาญใจนี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือคิดไปในทางความอยากต่างๆ ต้องหัดคิดไปในทางความไม่อยากอยากจะได้อะไรก็บอกว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จบอยากจะไปไหนมันก็ไม่เที่ยงไปแล้วเดี๋ยวมันก็ก็เท่านั้นไปแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกลับมาอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนูน้นพอไปถึงตรงนู้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้ <S <S มันไม่ได้อะไรจากการกระทําะไรต่างๆของเรา ใจเรานี่ขาดทุนทุกวันนะเราคิดว่าเราได้กําไรว่าเราได้ไปนู่นได้มานี่ได้ทํานู่นได้ทํานี่ได้อะไรมากมายแต่ได้อะไรมาเท่าไหร่มันก็หมดไปทันทีเหมือนกับควันไฟควันไฟเราจุดมันขึ้นมามันก็เป็นควันแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็จางหายไปหมสิ่งต่างๆที่เราทํากันได้กันมีกันเป็นกัน เดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดความสุขที่ได้จากการกระทําต่างๆความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆก็เดี๋ยวเๆได้แล้วเดี๋ยวก็จางหายไปหมดถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆอยู่ก็ไม่ได้ให้ความสุขเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆตอนที่เราได้มาใหม่ๆเรารู้สึกมีความสุขมากแต่พอหลังจากนั้นไม่กี่วันมันก็ไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ๆ อให้วิธีคิดเพื่อที่จะไม่อยากก็คือเวลาอยากไปก็อยากลอไปแค่เท่านั้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็พอไปถึงแล้วมันก็เบื่อแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปนู่นต่ อ, อทำอะไรก็เหมือนกันทำแล้วเดี๋ยวก็เบื่ อ, อกินอะไรก็เหมือนกันกินแล้วเดี๋ยวก็เบื่ อ, อให้กินอาหารจานโปรดสักสิบวันทุกวันวันละสามมื้อดูอ กินไม่ได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็เบื่อแล้วมันทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เล่เยงหดหงิดอ่นอัดหรือไม่ยังกั่เศร้าสร้อยงอย เ, อาเงาว้าเหวหรือซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็สาเหตุจากการที่อยากทำอะไรต่างๆแล้วทำไม่ได้ไม่ได้ไไดทำ เช่นร่างกายป่วยชาราหรือเป็นพิการจะมีอาการซึมเศร้าจะมีอาการหงุดหงิดลาคาญใจง่ายคนที่ต้องคอยดูแลคนป่วยคนคนพิการเนี่ยจะรู้ว่าว่าเขามีอารมณ์อย่างไรอารมณ์เขานี้จะค่อนข้างที่จะหุนหันพันแล่น อารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่เรื่อยๆอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเรามาฝึกหยุดความคิดได้ทำใจให้นิ่งได้แล้วนั่งเฉยๆนี่จะไม่รู้สึกกดเงียบไม่รู้สึกลำคาญไม่รู้สึกเศร้าซ่้อยหงอยเหงาไม่รู้สึกว้าเว่กับมีความสุขจากการที่เราไม่ต้องทำอะไร ทำแล้วมันเหนื่อยไม่ทำมันสบายกว่าอยู่เฉยๆได้นี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแต่เรากลับไม่รู้กันหรือกลับทำกันไม่ได้เนื่องจากใจของเรามันเคยชินกับการกระทําตลอดเวลามันเลยหยุดการกระทําไม่ได้พอหยุดพอไปเหยียบเบรคมันก็ทําให้ใจร้อนขึ้นมา ใจไม่สบายขึ้นมาเราจรึงไม่ค่อยอยากจะหยุดใจกันเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่หยุดใจปล่อยให้มันไปตามความคิดตามความอยากมันก็จะพาเราไปสู่การกรทําสู่ความวุ่นวายต่างๆเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นมาง่ายๆต้องดิ้นรนต่อสู้กว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้มา ล้าได้มาแล้วเดี๋ยวพอเราเสียมันไปก็เสียใจอีกอมันจะพาใจให้เราไปสู่ความเสียใจความวุ่นวายใจความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความท้อแท้เหนื่อยหน่ายแต่ท้อแท้ยังไงเดี๋ยวก็ต้องสู้ต่อไปเพราะถ้าอยู่เฉยๆก็หดหยินลำคาญใจขึ้นมาอีก พ่าเราหาที่อยู่ของใจไม่เจอที่อยู่ของใจก็คือความสงบถ้าเราหาที่อยู่ของใจเจอใจจะสงบแล้วจะเย็นจะสบายจะมีความสุขโดยต้องไม่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรอันนี้แหละที่พวกเรากำลังหากันอยู่ แต่เราไม่รู้วิธีที่จะหามัญหาอย่างไร <Yeah. S 2> วิธีที่จะหาความสงบก็คือเราต้องอยู่ในสถานที่ที่สงบก่อน <Yeah. S 2> ที่ไม่มีอะไรต่างๆไม่มีเหตุการณ์ไม่มีกิจกรรมไม่มีบุคคล <Yeah. S 2> เพราะถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มีกิจกรรมมีเหตุการณ์มีบุคคล <Yeah. S 2> มันก็จะทำให้เรา ต้องคิดไปกับเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้อราจะทำใจให้สงบได้เราต้องอาศัยสถานที่ที่สงบก่อนพระพุทธเจ้านั ก, นกบวชทั้งหลายต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาตามลาพังก็เป็นสถานที่ที่สงบปราศจาก กิจกรรมต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆใจก็เลยไม่ต้องไปวุ่นกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆแต่ถึงแม้จะอยู่ในที่สงบแลว้วก็ตามใจก็ยังไม่สงบโดยอัตโนมัติเพียงแต่ว่าทําให้มันไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เกิดความคิดต่างๆขึ้นมามากเกินไป แต่มันก็ยังคิดอยู่ยังอยากอยู่เพราะมันยังติดนิสัยเดิมอยู่มันยังเคยคิดเคยอยากอยู่ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราสังเกตดูตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนถึงเราหลับเนี่ยเราจะคิดอยู่กับความอยากอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากไปโน่นอยากมานี่อยากทำโน่นอยากทำนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ เนื่ไม่เช่นนั้นก็อยากให้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราจะอยู่กับความอยากตลอดเวลาเราจึงอยู่เฉยๆไม่ได้พอเกิดความอยากเราก็ต้องไปทาตามความอยากแล้วก็ไปวุ่นวายกับการกระทาตามความอยากดีใจบ้างเสียใจบ้างโกรธบ้าง ทีอยากแล้วไม่ได้มีใครมาขัดขวางก็โกรธคนที่ขับรถบนท้องถนนนี่โกรธง่ายเพราะอยากจะไปเร็วๆพอมีใครมาตัดหน้าหรือใครมาขวางทาง <c oughs> ก็โกรธขึ้นมาหงดเหงิดขึ้นม า, มนมาพอไปเจอไฟแดงนี่ก็หงดเหงิดขึ้นมาทันทีเพราะใจอยากจะไปเร็วๆ พอต้องถูกเบรกด้วยด้วยสภาพของการจราจรด้วยการขับรถของผู้ที่ไม่มีมารยาตมันก็ทำให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาง่ายพอใจอยากอยากไปเร็วๆอยากไปให้ถึงที่ที่ต้องการจะไปะนี่คือ ผลที่เกิดจากการทําตามความอยากต่างๆจะนําไปสู่ความวุ่นวายใจต่างๆไม่มีวันจบสิ้นถ้าอยู่เฉยๆได้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการขับรถบนท้องถนนไม่ต้องไปวุ่นวายกับบุคคลต่างๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆอยู่เฉยๆอยู่ที่เงียบๆคนเดียว ทำใจให้หยุดคิดหยุดอยากได้ใจก็จะมีความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะต้องตายไปถ้าใจมีความสงบก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องของร่างกาย ที่ใจมีปัญหากับเรื่องของร่างกายก็เพราะหยุดความอยากที่จะไปไปรักษาไปป้องกันร่างกายไม่ได้ใจนี้รักร่างกายยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด อ, อยากจะให้ร่างกายนี้สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตายแต่มันไม่เป็นไปตามที่ต้องการ อะไรไม่สบายใจพออยากได้แล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ไม่สบายใจอยากไม่แก่พอมันแก่ก็ไม่สบายใจอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจอยากไม่สูญเสียอยากไม่พัดภาคจากบุคคลหรือสิ่งของที่เรารักเวลาต้องพัดภาคจากกันก็เสียใจไม่สบายใจ แต่ถ้าเรามาฝึกหยุดคิดได้สอนใจให้หยุดคิดหยุดอยากอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายอย่าไปอยากไม่พัดพากจากบุคคลที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักเพราะเราห้ามเขาไม่ได้สิ่งเหล่า น, นี้มันเป็น สิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เนี่ยเี้ยเสียงจักรจันนี์เราจะไปบอกให้มันหยุดร้องมันก็ไม่หยุดแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันจะร้องก็ปล่อยมันร้องไปใจเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอยากให้มันหยุดร้องนี่เราจะราคาญขึ้นมาันทีปัญหาของใจคือความความอยากนี่เอง อยากแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจวุ่นวายใจเดือดเนื้อร้อนใจโดยเฉพาะร่างกายของเราเนี้ยเรามีปัญหากับมันมากใจมีปัญหากับมันมากพออยากทั้ในสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองให้กับเราได้อยากให้ร่างกายไม่แก่มันก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้ อยากไม่ให้มันไม่ตายก็ห้ามมันไม่ได้ทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วใจก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายถ้ารู้จักวิธีทำใจให้สงบถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดภาคจากกัน เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะไม่ทำให้ใจเดือดร้อนใจจะเฉยใจจะสงบใจจะมีความสุขอยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บไายได้ป่วยได้อยู่กับความตายได้แต่ถ้าเราทำใจให้สงบไม่ได้หยุดความคิดไปในทางความอยากไม่ได้ใจมันจะทุกข์ทันที เวลาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายเจอกับการพัดพากจากกันเพราะั้นเรามาหัดหยุดความคิดหยุดความอยากกันดีกว่าพยายามทําบ่อยๆทําทั้งวันเลยเวลานี้ไม่มีคุณค่าอะไรเท่ากับการเอามาใช้กับการทําใจให้สงบเพราะผลที่เราได้รับนี้จะเป็นของแท้ของจริง คือความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะเป็นของเราไปตลอดแต่ถ้าเราเอาเวลาไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรืออะไรต่างๆยศถาบรรดาศัก์ตำแหน่งอะไรต่างๆของพวกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้อง หมดไปหรือจากเราไปเมื่อถึงเวลาอันควรได้มาเท่าไหร่ก็ต้องสูญเสียไปหมดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปได้ราบมากน้อยเพียงไรได้ยศมากน้อยเพียงไรได้ความสรรเสริญเยนยอมากน้อยเพียงไรได้ความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมากน้อยเพียงไรมันหายไปหมด มันจะไม่มาปกป้องคุ้มครองใจของเราเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเลยมีเงินมากน้อยเพียงไรก็ยังต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ยังต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายาไม่มีใครที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้ แต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้เราจะยับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะใจเราจะไม่อยากไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าใจสงบจะเป็นอย่างนั้นใจสงบจะเฉยจะมีความสุข ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนไม่ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จะอยู่ในสภาพไหนจะอยู่กับเราหรือจะจากเราไปจะเจริญหรือจะเสื่อมมันไม่มาทำให้ใจเราวุ่นวายได้เลยนี่แหละเป็นของแท้ของจริงความสุขแท้ความสุขถาวรอยู่ที่ความสงบของใจ ถ้าเรารู้จักวิธีทําใจให้สงบแล้วเราจะสามารถทําได้ตลอดเวลาสามารถสั่งให้ใจสงบได้ตลอดเวลาไม่ให้มุนวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับบุคคลต่างๆไปกับร่างกายของเราปล่อยวางได้รับรู้ได้แต่ไม่เดือดร้อนไม่ไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหากับอะไรทั้งนั้น ถ้าเราทำใจให้สงบได้การจะทำใจให้สงบได้เราต้องมีเครื่องมือเหมือนรถยนต์การที่เราจะหยุดรถยนต์ได้เราต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกรถวิ่งไปถึงสี่แยกไฟแดงเหยียบเบรกแล้วไม่มีเบรกรถมันก็จะไม่หยุดรถมันก็จะวิ่งฝ่าไฟแดงไปแล้วก็ต้องเกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้ามีเบรกพอถึงเวลาต้องการจะหยุดรถก็เหยียบเบรกเหยียบเบรกรถก็จะหยุดความคิดของใจก็เหมือนกันเหมือนรถยนต์ที่วิ่งอยู่จะให้ความคิดหยุดได้นี้ต้องมีเบรกสิ่งที่มีที่จะมาเบรกความคิดเราเรียกว่าสติสติคือการรู้ว่ากำลังคิดอะไรแล้วก็บอกให้มันหยุดคิด พอรู้ว่าคิดแล้วพอมีสติบอกให้มันหยุดคิดมันก็หยุดคิดได้แต่ถ้ารู้ว่ามันคิดแต่หยุดคิดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติไม่มีกำลังที่จะหยุดมันดังนั้นวิธีเราต้องมาสร้างสติกันวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีด้วยกันในพระคำพีท่านแสดงไว้4ี่สิบวิธี เรียกว่ากรรมฐานสี่สบแต่เราไม่ต้องรู้ทั้งหมดทั้งสี่สบวิธีขอให้เราเลือกวิธีที่มันง่ายที่สะดวกวิธีที่ง่ายที่สะดวกก็มีอยู่สองสามวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือให้เราละลึกถึงคําพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป เราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถึงคนนั้นคนนี้ได้ <Yeah. S 2> ไม่เชื่อลองไปบริกรรมดูถ้าพุโทโธพุโทโธแล้วจะมานั่งคิดบัญชีไม่ได้ <Yeah. S 2> ถ้าคิดบัญชีมันต้องหยุดพุดโทโธ <Yeah. S 2> ถ้าจะคิดถึงใครก็ต้องหยุดพุดโทโธถึงจะคิดได้ <Yeah. S 2> เพราะความคิดนี้มันมาทีละขะมันมา มันไม่ได้มาพร้อมๆกันทีเดียวมันมาเป็นเข้าแถวเรียงคิวกันเข้ามาเงินถ้าเราพุโทโธพุโทโธอยู่ข้างหน้าความคิดอย่างอื่นก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วเราสามารถพุโทโธได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรเราสามารถทำอะไรครวบคู่กับพุโทโธได้ถ้าสิ่งที่เราทาไม่ต้องใช้ความคิดเช่นกิจกรรมประจา วันอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทำอาหารทำกับข้าวอะไรพวกนี้ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุธโทโธไปปกติถ้าเราไม่มีพุโทโธเราจะทำไปแล้วก็คิดไปอาบน้ำอาบท่าก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปใส่ชุดไหนดีเดี๋ยวจะไปที่ไหนดีหรือมันก็คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ มีอะไรบ้างไปพบกับใครมาไปมีอะไรกับมันจะคิดควบคู่ไปกับการกระทากิจกรรมเหล่านี้เราต้องใช้พุโทโธมาหยุดมันใช้พุโทโธแทนที่จะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็คิดอยู่แต่คำว่าพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธไปภายในใจแล้วความคิดต่างๆมันจะเข้ามาไม่ได้มันอาจจะแทรกเข้ามาช่วงที่เราไม่พุโทโธ มคือบางทีเราพ Smooth ุทโทแต่เราพุดโทแบบไม่ได้พุทโทพุทโทแบบใจลอยพุทโทไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้อยู qu ่กับพุทโทความคิดมันก็จะเข้ามาได้ต้องพุทโทแบบไม่ลอยต้องพุทโทอยู่กับอยู่กับพุทโทให้รู้อยู่ว่าเรากำลังพุทโทพุทโทพุทโทแต่เราก็ต้องอยู่กับเรื่องที่เรากาลังทาอยู่ด้วย เช่นเรากำลังอาบน้ำเราก็ต้องอยู่กับการอาบน้ำด้วยถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่ต้องพุทธโธอยู่กับการอาบน้ำไปอย่างเดียวฟอกสบู่อะไรก็ทำไปให้มีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เราก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แสดงว่าเราเริ่มมีสติ ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้เราให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ได้โดยที่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องใช้พุโทโธดึงกลับมาพุโทโธพุธโทโธกลับมาให้ฝึกไปเรื่อยเรื่อเรามีเวลามีโอกาสฝึกสติได้มากเพราะวันวันหนึ่งนี้เราต้องทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดอยู่เยอะ เดินไปไหนมาไหนนี้ก็ไม่ต้องใช้ความคิดก็ได้ให้ใช้พุโทโธแทนไปแล้วถ้าเรามีเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรก็ลองนั่งหลับตาหามุมสงบถ้ามีห้องไหนสงบไม่มีใครปิดกั้นไม่ให้คนมารบกวนได้ก็เข้าไปปิดโทรศัพท์มือถือได้ก็ดีเพราะเดี๋ยวถ้า พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์เข้ามาก็จะขัดจังหวะกันใ mm hmm. จกําลังจะเข้าสู่ความสงบ ก, ก็เข้าไม่ได้ mm hmm. เพราะมีเสียงโทรศัพท์มารบกวนหรือมีคนมาเคาะประตูเรียก mm hmm. ก็ต้องบอกหรือเขียนป้ายไว้ว่ า, วาห้ามเคาะประตู mm hmm. ขอเวลาทําความสงบ mm hmm. ให้เขารู้ว่าตอนนี้ไม่อย่ามารบกวน ขอให้มีเวลาที่จะควบคุมใจให้นิ่งให้สงบอย่างเหมือนตอนที่เมื่อกี้เรานั่งกันตอนนั้นมันไม่มีอะไรมารบกวนถึงแม้จะมีเสียงฝนมันก็ไม่รบกวนเราถ้าเป็นเสียงธรรมชาติมันจะไม่ค่อยรบกวนไม่เหมือนกับเสียงคนเสียงเหตุการณ์ที่มนุษย์เราทำกันขึ้นมาเช่นเสียงเพลงเสียงอะไรอลไนี้ พมันฟังแล้วมันจะมากระตุ้นใจของเราจะทำให้ใจเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเสียงธรรมชาติอย่างเสียงจั ก, กระจันเสียงนกร้องมันจะไม่มากระตุ้นอารมณ์มันมันจะไม่มารบกวนใจและเวลาจะนั่งสมาธิเราจึงต้องหามุมสงบหาที่สงบ ภาษาพระท่านเรียกว่าเปกวิเวกวิเวกก็คือความสงบสงัดของสถานที่ความสงบสงัดของสถานที่จะช่วยทำให้เกิดความสงบสงัดของจิตใจกายวิเวกจะทำให้จิตวิเวกอันนี้เป็นประเด็นสำคัญในการที่จะทำใจให้สงบต้องมีสถานที่ที่สงบ ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่วุ่นวายที่มีการกระทำอะไรต่างๆกระทึกคึกโครไปนั่งทำใจให้สงบได้ยากถ้าจะเป็นไปไม่ได้เะนั้นต้องรู้จักเลือกสถานที่ถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิอยากจะทำใจให้สงบแต่ก่อนจะนั่งสมาธิได้เราต้องฝึกสติให้ได้ก่อนถ้าเรายังควบคุมความคิดไม่ได้ ควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ไม่ได้เวลาเรานั่งสมาธิเราจะไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจหรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธได้ใจจะสงบได้ใจจะต้องอยู่เรื่องเดียวไม่คิดให้รู้เฉยๆเพ่งดูเฉยๆเช่นเพ่งดูลมหายใจหรือเพ่งอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป แล้วจิตจะตล่มเข้ามาจิตจะถอนออกมาจะถอยออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสบากตินี้ใจจิตของเราจะกระจายไปเหมือนแสงไฟฉายไฟฉายนี่มันจะกระจายออกไปเป็นวงกว้างใจก็เหมือนกันความสงบจะถูกกระจายออกไปทางตาหูจมูกติ้งกายใจจะส่งออกไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่าง ผ่านทางตาหูจมูกริ้นกายเวลาเราใช้สติใช้พุทธโธนี้เท่ากับดึงกระแสของใจที่พุ่งออกไปทางตาหูจมูกริ้นกายให้กลับเข้ามาข้างในใจดึงมันเข้ามาถ้าเป็นแสงไฟแสงไฟฉายก็เหมือนเราปิดไฟฉายพอ ป, ปิดไฟฉายกระแสแสงไฟมันก็จะหายไปอันนี้ก็คือวิธีทําใจให้สงบ ต้องอยู่ในที่ที่ไม่มาดึงตาหูจมูกลินกายให้ใจไปติดอยู่กับตาหูจมูกลินกายถ้ามีเหตุการณ์มีอะไรนี้ใจมันยังจะติดอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆจะดึงมันกลับเข้ามาข้างในมันก็จะยากแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ภายในนอที่จะดึงใจให้ติดอยู่ทางตาหูจมูกลินกายเวลาเราใช้สติมันก็จะเข้ามาง่าย พุโทโธพุโทโธลองไปหาที่สงบดูอย่างเมื่อกี้นี้เราก็ได้ลองทดลองนั่งอยู่ประมาณสิบนาทีเราก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรรู้ว่าใจเราตอนนี้มีสติมากน้อยเพียงไรให้มันอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ให้อยู่กับพุโทโธได้หรือไม่หรือขณะที่นั่งก็ยังคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้อยู่ ถึงแม้ว่าร่างกายจะนิ่งแต่ใจอาจจะไม่นิ่งถ้าใจยังไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่หรือมีอะไรมาสัมผัสให้รับรู้ก็ไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นทิ้งสิ่งที่เราต้องรู้อยู่คือลมหายใจหรือพุทโธไปอย่าทิ้งเวลานั่งสมาธิอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งลมหายใจเข้า ไม่ว่าจะมีแสงมีสีมีเสียงอะไรมาให้ปรากฏรับรู้อย่าไปสนใจให้ติดอยู่กับพุทโธพุทโธไปให้เกาะติดอยู่กับลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องเอาทั้งสองอย่างก็ได้อารมณ์อย่างเดียวก็ได้เอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้ใช้แทนกันได้แต่บางท่านอยากจะใช้สองอย่างก็ไม่ว่ากันนะ มันจะยุ่งยากไปเปล่าๆแต่บางคนนะใจอาจจะฟุง้งอาจจะต้องใช้ทั้งสองอย่างช่วยถ้าดูลมก็ยังฟุงงฟ้งอยู่พุทโธยรงฟุ้งอยู่ก็เลยเอาทั้งสองอย่างหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธอันนี้ก็ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้บังคับให้ต้องทำอย่างนี้กันทุกคนคนใดชอบอย่างไรถูกจริตกับวิธีไหนก็เอาวิธีนั้นได้ เพราะการกระทําใจให้ซื้อของอย่างที่เมื่อกี้แสดงไว้ว่ามีต้อง40วิธีด้วยกันนอกจากพุโทโธแล้วนอกจากดูลมแล้วเรายังสามารถราลึกถึงอะไรบางอย่างได้จะนเราเลิกถึงความตายก็ได้เราเลิกถึงว่าเราตายเกิดมาแล้วเราต้องตายร่วงพ้นความตายไม่ได้หรือเราเลิกถึงสาภาพของความตายคือร่างกายเวลานึกถึงร่างกายเวลากลายเป็นซากศพไป เพ่งดูศพของเราแต่อไปร่างกายเราก็ต้องเป็นซากศพเราก็นึกถึงภาพของร่างกายของเราที่จะต้องตายไปก็ได้อันนี้แต่มันยากและมันโหดเพราะเราไม่ชอบความตายกันพอระลึกถึงความตายแล้วเราจะกลัวกันจะไม่มีสติแต่สําหรับคนบางคนที่มีใจกล้าหาญกับชอบความตายกัน พอคิดถึงความตายแล้วจิตมันสงบเพราะจิตมันกลัวความตายพอคิดถึงความตายมันก็เลยสงบอันนี้แล้วแต่จริตถึงมีวิธีทำใจให้สงบได้เยอะแยะ4ีสวิธีบางท่านก็ชอบเราเลกถึงสีก็ได้บางทีให้เพ่งดูสีหลับตาแล้วก็ให้นึกถึงสีที่เราต้องการจะเพ่งเช่นสีเขียว นั่งหลับตาแล้วก็นึกให้เห็นเวลาเราหลับตาให้เห็นเป็นสีเขียวไปในเต็มในในใ น, ในใจอย่างนี้ก็ได้ถ้ายังไม่รู้ว่าสีเขียวเป็นยังไงก็ดืงตาดูสีเขียวก่อนดูใบไม้ก่อนแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงสีของใบไม้แล้วเดี๋ยวต่อไปสีมันก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมาในตาในใจขึ้นมาก็พยายามเพ่งให้อยู่กับสีนั้นไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากสิน กาสินก็มีหลายสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวที่เราสามารถใช้เป็นอารมณ์เพ่งจิตได้ให้จิตนิ่งให้จิตสงบได้เะน้นก็มีหลายวิธีบางท่านก็ชอบเพ่งพระพุทธรูปชอบพระพุทธรูปก็เช่นเมื่อวานนี้มีคาถามมาถามว่าชอบพระแก้วมรกตเห็นภาพของพระแก้วมรกตต้องมีความสุข เราก็ใช้ภาพของพระแก้วมรกตเป็นที่เพ่งใจที่เพ่งของใจก็ได้นับลืมตาก่อนดูภาพพระแก้วมรกตก่อนแล้วพยายามจำไว้แล้วพอหลับตาก็พยายามนึกถึงภาพพระแก้วมรกตให้เราสามารถเห็นได้ในขณะที่เราหลับตาแล้วก็เพ่งอยู่กับภาพพระแก้วมรกตนั้นไปเรื่อยอย่างนี้ใจก็จะสงบได้ มันมีหลายวิธีด้วยกันถ้าเรามีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธเคืองใครท่านก็บอกว่าให้ใช้วิธีแผ่เมตตาก็ได้ให้เราให้อภัยคนที่ทำให้เราโกรธอย่าไปโกรธเขาขออภยัยขอให้เราอย่ามีเวรมีกรรมกันจะไม่จองเวรจองกรรมกัน ถ้าเขาทำอะไรไปผิดพลาด ท, ทำให้เราเสียหายทำให้เราโกรธก็ให้อภัยไปนั่งไปนึกไปว่าไม่เอาโทษคุณแล้วให้อภัยเป็นเรื่องปกติอยู่ด้วยกันเหมือนลิ้นกับฟันบางทีก็มีการขบกันบ้างจะไปเอาเรื่องเล่าๆกันมันก็ยิ่งทำให้ัใจวุ่นวายไปใหญ่ถ้าไม่เอาเรื่อง เ, อเร่าๆกันใจก็จะสงบได้ อนนี้ก็มีวิธีหลายวิธีแล้วก็ความสงบก็สงบมากน้อยไม่เท่ากันวิธีที่ใช้เมตตาเวลาเรารโกรดนี้มันก็ไม่ได้ทำให้จิตสงบร้อยเปอร์เซนตย่งอย่มันทำให้เราหายวุ่นวายใจบางทีเวลาเราจะนั่งสมาธิใจเรายังวุ่นวายอยู่กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาไปมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้พอจะมานั่งก็คิดถึงเรื่องที่มีกับเขามันก็เลยสงบไม่ได้ ให้มาดูลมก็ดูไม่ได้ให้อยู่กับพุทธโธก็พุทธโธไม่ได้แต่ถ้าเรามาคิดว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นไปแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเราทำไมต้องมาเสียใจมาวุ่นวายใจด้วยที่เราวุ่นวายใจเพราะเราไม่ยอมเราต้องการล้างแค้นต้องการเรียกร้องค่าเสียหายอะไรทานองนี้แล้วเขาไม่ยอมก็โกรธเขาเราก็คิดว่าช่างมันเถอะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้ว อย่าไปมีเวรมีกรรมกันดีกว่าให้อภัยกันไปลืมมันไปพอเราคิดอย่างนี้ได้เราก็เลิกวุ่นวายได้เราก็กลับมาดูลมหายใจได้กลับมาพุทโธได้นี่ก็มีวิธีหลายวิธีด้วยกันที่จะทำให้ใจของเราสงบเบื้องต้นถ้ายังให้ดูลมไม่ได้ยัง พุโทโไม่ได้เพราะมันไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เจนบางทีเราทํางานมีเรื่องเข้ามาอยู่มากพอมานั่งสมาธิเรื่องที่ทํางานยังไม่หายไปมีให้ดูลมก็ไม่ดูให้พุโทโธก็ไม่พุโทโธก็อาจจะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปสวดบทที่เราจําได้นั่งหลับตาสวดไปภายในใจอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสามพุโทโธ สว่าขาโตภากวตาธรรมโมสุปติปันโนสวดไปหลายๆรอบสวดไปเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในใจมันก็จะหายไปหมดหายไปเราก็หยุดสวดแล้วเราก็มาดูลมหายใจต่อได้มาพุทโธต่อได้การปฏิบัติมันเหมือนกับขับรถจะใช้เกียร์เดียวไม่ได้มันต้องคอยเปลี่ยนเกียร์สภาพ จ, จราจรมันไม่เหมือนกันบางทีรถวิ่งช้าก็ต้องเข้าเกียร์ต่ำพอเวลารถวิ่งเร็วเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์สูงอันนี้ก็เหมือนกันใจเราบางทีมันฟุ้งมากก็ต้องใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งพอฟุ้งน้อยก็ใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งเราต้องต้องคอยสังเกตดูเวลาเรานั่งแล้วมันมีปัญหาอะไรต้องใช้วิธีไหนมาแก้ปัญหา บางทีเรากังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราใช้ปัญญามาคิดว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้มันก็เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้อย่างเมื่อกี้ฝนตกเราอยากจะให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดเราจะมีเหตุการณ์หรือมีคนที่เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราก็ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ แต่เรายังอยากควบคุมอยู่มันก็ทำให้ใจเราวุ่นไม่สงบแต่ถ้าเรามาคิดว่าเขาก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเขาจะทำอะไรจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาพอเราปล่อยเขาได้ใจเราก็หายวุ่นวายไปกับเขาแล้วเราก็กลับมาทำใจให้สงบต่อได้นี่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ให้ใช้กฎของไตรลักษณ์ให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมชาติไปหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของเป็นธรรมชาติคือเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ตลอดเวลาบางเวลาเราอาจจะควบคุมได้บังคับได้แต่บางเวลาเราควบคุมเขาไม่ได้ถ้าเราควบคุมเขาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาไปเท่านั้นเองเพียงแต่ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา เราก็จะไม่วุ่นวายใจไปกับเขาเราก็จะกลับมาเพ่งดูลมได้กลับมาพุทโธได้กลับมาทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเราอยากจะไปควบคุมบังคับเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยังทำไม่ได้ใจมันก็ยังคิดอยู่นั่นคิดหาวิธีต่างๆแล้วมันก็ทำให้ใจนี้ไม่สามารถมานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ เหตุการณ์ต่างๆถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศก็แล้วกันเหมือนเหมือนลมพัดเหมือนฝนตกที่เราทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันตกไปปล่อยมันพัดไปแล้วใจเราก็จะหายวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆแล้วเราก็จะกลับมานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้พยายามหัดนั่งทําบ่อยๆฝึกสติบ่อยๆ เพราะไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าความสงบนัตติสันติบาลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขแทม้มีก็อย่างเดียวเท่านั้นคือความสงบสุขอย่างอื่นเป็นสุขปลอมสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะเวลามันหมดมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเวลาเรามีความสุขกับคนนั้นพอคนนั้นตายไปหรือทิ้งเราไป ความสุขที่ได้จากเขาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นอะไรก็เป็นเหมือนกันถ้าเรามีความสุขกับเขาเดี๋ยวเวลาเขาไม่อยู่กับเรามันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา mm hmm. แต่ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้เขาจะไม่ทิ้งเราเขาจะอยู่กับเราเราสามารถเรียกเขาให้มาได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราฝึกจนชนานาญเหมือนหัดขับรถเนี่ย ถ้าเราตอนต้นขับรถใหม่ๆเรายังไม่มีความมั่นใจเราไม่แน่ใจว่าจะขับได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราฝึกขับไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีความมั่นใจว่าทุกครั้งที่เราต้องการจะขับรถไปไหนมาไหนนี้เราไปได้อย่างสบายถ้าเราฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถนั่งได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอยู่ในที่ไหนขับขันขนาดไหน ถ้าเรานั่งชำนาญแล้วถึงแม้สถานที่รอบข้างจะวุ่นวายเราก็สามารถทำใจเราให้สงบได้เพราะความชนานาญเพราะถ้าเราฝึกมาจนชนานาญแล้วเราจะมีกำลังที่จะทำให้มันสงบได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนนี้ถ้าไปอยู่ในสถานที่วุ่นวายจะทำยากกว่าเวลาฝึกหังใหม่จึงต้องไปหาที่สงบที่ไม่มีเรื่องเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆแต่พอเราชนาญแล้ว ต่อไปเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำใจให้สงบได้นั่งรถเมย์ก็ทำใจให้สงบได้ไปอยู่ที่ไหนมีคนก็คุยกันพูดกันเราก็พุโทโธพุโทโธนั้นดูลมไปในใจของเราก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีกำลังสติยังไม่มีกำลังมันจะไม่ยอมอยู่กับลมไม่ยอมอยู่กับพุโทโธมันจะไปอยู่กับเสียงที่เราได้ยินฉะตอนต้นเราต้องไปหาที่สงบก่อน ต, ต่อไปพอเราชำนาญเราสามารถเข้าสมาธิทำใจให้สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการทีนี้เราไปอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาแม้ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็เหมือนกันเจ็บหรือไม่เจ็บก็เหมือนกันตายหรือไม่ตายก็เหมือนกันเพราะใจไม่ได้ต้องใช้ร่างกายไม่มีไม่ต้องโยงไปกับร่างกาย พอใจความสงบนี้ไม่เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับสติถ้ามีสติแล้วก็จะมีความสงบแต่ความสุขอย่างอื่นนี้ต้องมีร่างกายถ้าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไปไหนมาไหนได้ก็มีความสุขได้แต่พอร่างกายไม่สมบูรณ์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการทีนี้ก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้ไปหาความสุขต่างๆไม่ได้นี่ต่างกันตรงนี้ความสุข ที่เราใช้จากความสงบนี้มันไม่ต้องโยงไปกับอะไรอโยงอยู่กับสติอยู่กับการฝึกหัดของเราถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นนิสัยขึ้นมามันจะติดไปกับเราแล้วไม่ว่าจะถ้ายังต้องไปเกิดอยู่ก็จะไปอย่างสงบเวลาไปเกิดก็จะอยู่อย่างสงบจะไม่วุ่นวายจะไม่มีเรื่องราวอะไรกับใครมากนะักะ เพราะว่ายังอาจจะทำลายความอยากไปไม่หมดแต่ถ้าสามารถทำลายความอยากไปได้หมดแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่ตามลำพังของใจใจนี้มีที่อยู่เขาเรียกว่าโลกทิพย์โลกทิพย์ก็ที่อยู่ของกายทิพย์ทั้งหลาย กายทิพย์ก็มีหลายระดับระดับเทวดาระดับพรหมระดับเปรตระดับอสูรกายระดับนรกแล้วก็ระดับนิพพานระดับนิพพานก็ระดับของใจที่ไม่มีความอยากไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเกิดใหม่แต่ระดับอื่นยังต้องมีการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นระดับพรหมระดับเทพระดับเปรตระดับอสูรกายระดับอะไร ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าใจสงบและกำจัดความอยากได้หมดก็จะอยู่ระดับนิพพานระดับที่ไม่ต้องมีการเกิดอีกต่อไปเท่านั้นเองแต่ใจไม่มีไม่มีวันตายไม่ว่าจะเป็นใจของใครก็ตามต่างกันตรงที่ว่ายังมีวันเกิดอยู่หรือเปล่าถ้าใจยังไปเกิดอยู่ยังไปมีร่างกายอยู่ก็ยังต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่ แต่ถ้าใจที่ไม่มีไม่ไม่ไม่ไปเกิดแล้วก็จะไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายต่อไปเท่านั้นเอง mm hmm. ใจของพระพุทธเจา้าใจของพระอรหันต์ใจของผู้ฝึกหัดทําใจให้สงบหยุดความอยากได้ก็จะเป็นใจที่อยู่ที่นิพพานนี้เองน mm hmm. นี่คือที่อยู่ที่ดีที่สุดของใจเพราะจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวยังไม่มีความทุกข์และเป็นความสุขที่ ยั่งยืนถาวรเสถียรไม่มีเสื่อมถ้าเป็นน้ำแก้วน้ำก็เต็มน้ำน้ำเต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาไม่มีพร่องดื่มเข้าไปเดือมน้ำไปเท่าไหร่ก็ยังไม่พร่องอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงแล้วก็มาสอนให้พวกเราได้มาปฏิบัติกัน ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือมันเจริญสติมันนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็หยุดคิดหยุดใจหยุดคิดไปในทางความอยากต่างๆใจก็จะเป็นนิพพานต่อไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวาหาปุราปปริปโเลนติสขาขลง เอวเมวะอโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสัพเพโปรเณตุสังกปาจันโทปนาะระโสยะธามมณิโชติอะระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโลกวินัสตุ มาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวะธนสิลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตารธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลาคุณแม่สบายดีไหม แม่ก็ตามอายุขัยยันนะก็เดินไปได้แต่ก็เหกุกำลังใจอะค่ะดีแล้วนะพยายามทําใจสงบร่างกายเป็นอย่างนี้ก็อย่างถ้าเจ็บปวดเนี่ยแล้วก็พยายามพุทโธพุทโธว่าอย่าไปสนใจอกวน่าแล้วมันจะไม่ปวดมากไมม่ปวดากอืแล้วเราไม่มีทางอื่นก็ก็อย่างเนี้ยพุทโธไปเลืสอนใจว่าอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปอยากให้มันอปวดก็ปวดไป ถ้าเราไม่ต่อต้านแล้วมันจะไม่ทรมานแลอย่างนั่งภาวนาแล้วก็ก็เหมือนกันนะนั่งภาวนาก็พุทโธพุทโธก็เหมือนก็ไม่ต่อต้านมันไม่ไปยุ่งอ่ะเปลี่ยนได้ถ้าพลิกได้ก็พลิกได้เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้พลิกไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันก็อยู่กับมันไปแล้วผมขออนุญาตอ่าการเรียนถามครับคือว่าถ้าว่าเราจิตสงบแล้วเราก็ยกจิตขึ้นมาพิจารณายังยังยังยัง ยกจิตที่หลังต้องให้จิตออกจากความสงบก่อนตอนสงบอย่าไปยกมันให้มันนิ่งนานๆให้มันสงบนานๆพอจากสมาธิมาแล้วค่อยมายกจิตมาพิจารณา <ใน S 1> ทา<ำ>งพิจารณาทิละอ่าทีอตอนสงบไปพิจารณามันก็ไปทําลายความสงบครบเราต้องการรักษาความสงบให้ไว้นานๆพิจารณาเพื่อให้ใจเราสงบมากขึ้นครับ หลังจากที่ออกจากความสงบแล้วมันจะไม่สงบล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณารักษาความสงบต่อไปอวันนี้ทาง Facebook YouTube ไม่ทราบว่าเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ Facebook สูงสุด338ค่ะ y o ย t u b e 121ค่ะแล้วก็วิทยุ21ผู้ที่ขึ้นมารับฟัง3 6ค่ะทั้งหมด516ค่ะ516ในช่วง น, นี้ เป็นบุกลดไปนะธรรมดาสี่ร้อยกว่าหายไปร้อยหนึง <c oughs> ่งไอ u t u b e นี้ไม่ลดนะ YouTube นี้ประมาณเท่าเดิมเป็นบุกนี่จะมีสองช่วงถ้าเสาร์อาทิตย์ก็สามร้อยกว่าถ้าวันธรรมดาจะสี่ร้อยกว่าแต่อาทิตย์นี้ที่สองวันนี้ผ่านมาจะลดลงเหลือสามร้อยกว่า <c oughs> มีใครอยากจะถามปัญหาไหม ก็มีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยคำถามจากคุณพุทธพรการทำสมาธิแล้วจิตไม่รวมถือว่าเป็นสมาธิหรือไม่เพราะการทำสมาธิของผมนั้นจิตรวมน้อยครั้งมากส่วนใหญ่คือจะนิ่งอยู่เฉยๆรมหายใจละเอียดเท่านั้นครับก็ยังไม่สงบเต็มที่อาจจะได้ห0อร์เซยังไม่ได้เต็มร้อยถ้าเต็มร้อยนี่มันต้องวุ้บงงไปนิ่งสงบ สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขายังก็ยังถือว่ายัางไม่ได้ผลเต็มร้อยแต่ก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆถ้าไม่ทํามันก็จะไม่มีวันได้ถ้าทําไปบ่อยๆทํำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เต็มร้อยเองคำถามจากคุณรุ่งผ้าวัดแห่งหนึ่งบอกว่าไม่ต้องสวดบทอิติปิโสเวลาไหว้พระสวดมนต์เพราะทําให้ติดขันห้าให้สวดบท ปฏิจจสมุทปาบาทและแผ่เมตตาแบบของพระพุทธเจ้าจึงจะวางระขันห้าได้ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับไม่ถูกหรอกมันไม่ถูกบทไหนมันกม็มันก็ไม่ละทั้งนั้นน่ะถ้ามันสวดแบบนกแก้วสวดแบบไม่ไม่เข้าใจความหมายของบทที่สวดสวดไปก็ไม่รู้เรื่องการจะสวด น, นี้มันต้องรู้ว่าร่างกายเป็นตายรักต้องรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปรักไปหวงมันจะทําให้เราทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันไปอย่าไปถือว่าเป็นของเรามันถึงจะละขันห้าได้มันต้องเกิดขวากจากความเข้าใจไม่ใช่เกิดจากการสวดสวดอย่างเดียวมันไม่ไม่ละถึงแม้เข้าใจแล้วก็ยังไม่รู้ละได้หรือเปล่ปาต้องไปทำข้อสอบอีกทีต้องไปเป็นโรคมะเร็งแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าเหลืออีกสามเดือนจะต้องตายอันดูซิว่าใจเป็นยังไง ถ้าใจเฉยไม่เดือดร้อนอแสดงว่าละได้ถ้าใจกลัวใจไม่สบายขึ้นมานี้แสดงว่ายังละไม่ได้ <c oughs> คำถามจากคุณจงแจงปฏิบัติและฟังธรรมต่อเนื่องมาระยะหนึ่งสัมผัสได้ว่าถ้าใจเราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้จะมีหรือไม่มีสิ่งนั้นใจยังสุขเหมือนเดิมเลยคิดว่าถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ใจน่าจะสุขได้เหมือนกันขอคําแนะนําเพื่อ น, นําไปปฏิบัติต่อคะ่ะ ก็ถูกแล้วเพลงจะ ต, ต้องไปทําให้ได้ทั้งนั้เอปล่อยวางร่างกายได้คือดูแลมันไปแบบมันเป็นคนใช้อย่าไปดูแลแบบเป็นเจ้านายตอนนี้เราเลี้ยงมันเหมือนกับเป็นหัวแก้วหัวแหวนหัวงห่วงรักอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราเลี้ยงมันแบบเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเลี้ยงแบบคนใช้นี่เราก็จะไม่ทุกข์กับมันมีกินก็กินไม่มีกินก็อดไป คำถามจากคุณบีนี่เวลาเราทํางานมีลูกน้องเราก็รักลูกน้องมีเมตากับเขาแต่ถ้าเขาทําไม่ถูกก็อยากจะให้เขาพัฒนาแต่ก็กลัวเขาจะโกรธเราควรทําอย่างไรคะก็ต้องดูว่าเขาจะยินดีกับการสั่งสอนของเราหรือเปล่ากับความปรารถนาดีของเราหรือเปล่าถ้าเขายินดีก็สอนเขาได้คนบางคนเขายินดีมากล่าวตักเตือนแล้วเขาขอบใจเราเพราะเขาเป็นคนฉลาด เขารูว่าเขายังไม่ดีพอบางทีตัวเขาเองดูตัวเองไม่เป็นหรือพัฒนาตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นที่เก่งกว่ามาสอนมาบอกแต่บางคนเป็นคนถือเนื้อถือตัวถือทิฐิมานะสูงนี่พอไปพูดไปแตะหน่อยก็โกรธขึ้นมาอย่างนี้ก็ไปสอนเขาไม่ได้ฉะนั้นการที่เราจะสั่งสอนใครช่วยเหลือใครเราต้องดูว่าเขายินดีกับการสั่งสอนกับการช่วยเหลือของเราหรือเปล่า คำถามจากคุณพิมพรเวลาหนูนั่งสมาธิพอนั่งได้สักพักจิตมันสงบแล้วพักหลังนี้หนูจะมีอาการขนลุกที่ขาขวาค่ะหนูอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเพราะอะไรคะและจะมีอาการขนลุกแบบนี้ทุกคนไหมเจ้าคะไม่หรอกแล้วแต่คนก็มันจะลุกก็ปล่อยมันลุกไปมันเป็นให้มันดูว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไป มันจะลุกก็เราก็ห้ามมันไม่ได้มันก็ปล่อยมันลุกไปมันเป็นอนิจจังลุกแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราอยากจะให้มันไม่ลุกขึ้นมามันก็จะทําให้เราทุกข์ได้เหตุเราอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันเกิดแล้วดับไปคำถามจากคุณสุทิธาบุญกับวาสนาสร้างด้วยกันหรือสร้างทีละอย่างคะ ก็ไม่รู้ล่ะบุญกับวาสนามันมีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าบุญแปลว่าความสุขความสุขใจเรียกว่าบุญวาสนานี่แปลว่าอะไรแปลว่าการมีโอกาสพิเศษต่างๆใช่ไหมมีวาสนาก็อาจจะเป็นานิสงของการมีบุญทำบุญเยอะๆก็จะมีวาสนาขึ้นมาเรียกว่าวาสนานี้เป็นผลของบุญก็ได้ ทำบุญเยอะๆก็จะมีวาสนาเยอะถ้าทำบาปเยอะก็จะมีกรรมเยอะทางตรงกันข้ามคำถามจากคุณสุ ธ, ธาราตั้งแต่กลับจากการบวชชีพราหมณ์พยายามทำใจให้เย็นและสงบ ก, กลับมาบ้านอาจมีเหตุให้โมโหบ้างแต่ครั้งนี้จะไม่เอะอะเสียงดังพอรู้ว่าโมโหก็เตือนตนเองให้หยุดเจ้าค่ะอย่างนี้เรียกว่าโยมกำลังมีสติมาก ยิ่งขึ้นใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้าเราเห็นความแตกต่างว่าเมื่อก่อนนี้เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้แตวนี้เราเริ่มควบคุมอารมณ์ได้ก็แสดงว่าเรามีสติเรารู้ทันอารมณ์เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ควบคุมบังคับหยุดมันได้เนี่ยเราควบคุมอารมณ์ของเราได้แต่เราไปควบคุมอารมณ์ของคนอื่นไม่ได้เวลาคนอื่นเขาเป็นอะไรเราไปสั่งเขาไปให้เขาสง บ, บไม่ได้อืแต่เราสั่งตัวเราให้สง บ, บได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกาบเรียนถามเรื่องบุญและบาปครับบุญเท่ากันไหมครับเช่นบริจาคเงินสร้างประตูวัด 5,000 บาทกับการช่วยสร้างประตูวัดด้วยแรงกายและใจและบาปเท่ากันไหมครับก็ดูประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็ น, เ ป, นเป็นตัววัดก็แล้วกันถ้าประโยชน์เท่ากันมันก็บุญเท่ากันถ้าประโยชน์ไม่เท่ากันบุญก็ไม่เท่ากัน เข้าใจไหมพู อ, อย่างนี้เอาสมมุติถ้าเปรียบเทียบถ้าเราบริจาคเงินห้า้อบาทเพื่อซ่อมประตูหรือไปจ้างคนมาซ่อมประตูก็เราจ่ายห้า้อยเหมือนกันอย่างนี้บุญก็เท่ากันแต่ถ้าเราบริจาคห้ารอแล้วหรือว่าไปจ้างคนมาแต่จ้างคนมาห600้อยเราก็ถือว่าเราได้ทําบุญมากกว่า พอเราต้องจ่ายห0 0้อยไปจ้างคนมาซ่อมหรือถ้าเราเป็นช่างเราเราคิดห0ร้อยอ่างนี้ก็ถือว่าเราได้ทำบุญมากกว่าค่าของคนอีกคนที่บ่อยจากห้าร้อยก็ต้องดูตรงนั้นเน่ยดูปริมาณของเงินดูผลงานของของผลของงานที่ปรากฏขึ้นมาว่ามัน ม, มีผลงานมากน้อยเพียงไรเของพวกนี้อย่าไปคิดมากเลยมันทำไปเถอะมานั่งคอยช่างกันอยู่นี่เดียวตายไปซะก่อนอ ก่จะทํานักทีขอมานั่งคิดก่อนว่าจะทําแบบไหนดีจะได้บุญมากกว่ากันทําแบบไหนสะดวกก็ทําไปเถิดมีเงินก็ทําไปไม่มีเงินก็ใช้แรงกายไปมีอะไรที่เราทําได้ก็ทําไปเถิดแล้วมันก็จะสะสมขึ้นไปเองมอนั่งคิดมาบวกลบคูณหารเดี๋ยวก็ไม่ได้ทําอ่ะข้อที่สอง บาปเท่ากันไหมครับเช่นฆ่าสัตว์ตั้งใจตบยุงหนึ่งตัวกับตั้งใจฆ่าเสือหนึ่งตัวครับบาปหนักบาปน้อยอยู่ที่สิ่งที่เราฆ่าว่ามีคุณมีโทษมากน้อยต่างกันถ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากก็โทษมากเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้หนักมากกว่าไปฆ่าคนอื่นเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ฆ่ามนุษย์ที่ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่นี้ไม่หนักเท่ากับฆ่ามนุษย์ที่เป็นพ่อเป็นแม่ เปรียบเทียบไม่สัง่งอยู่ที่พระคุณของคนที่เราฆ่าบุญคุณของคนที่เขาฆ่าที่เขามีกับเรานี้เขามีบุญคุณกับเรามากน้อยเพียงไรเช่นฆ่าวัวควายถ้าเราเป็นชาวนาวัวควายมันมีบุญคุณกับเรามันช่วยเราไถาทำไร่ไถนาเราไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่มันไม่มีบุญคุณอะไรกับเราเรามากกว่าเน้นบาปจะเกิดมากกว่าถ้าเราไปฆ่าวัวฆ่าควายมาเป็นอาหาร แต่ถ้าเราข้าเป็ดข้าไก่มาเป็นอาหารบาปมันไม่มันไม่มันน้อยกว่าเพราะเป็ดไก่มันไม่มีบุญคนอะไรกับเราแต่มันจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามันก็เป็นบาปทั้งนั้นอย่าทำดีที่สุดก็ยังนะเพราะทำอะไรข้าคิดอย่างนี้ง่ายๆทาอะไรก็จะต้องกลับไปเป็นอย่างนั้นค้ายุงก็ต้องกลับไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าข้าวัวข้าควายก็ต้องกลับไปเกิดเป็นวัวควายให้เขาฆ่า ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็ต้องกลับไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ให้เขาค่าให้คิดอย่างนี้มันจะได้ไม่ต้องมาคิดให้หนักเสียเวลาเพราะไม่มีใครอยากจะถูกฆ่าหรอกคาถามจากคุณพาราดรการขัดเกลาจิตใจอุบายต่างๆในการขัดเกลีจิตใจจะสามารถเกิดจากการทําสมาธิหรือควรศึกษาจากคําเทศคําสอนของครูบาอาจารย์ครับถ้ายังไม่รู้ก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาวิธีขัดเกลีจิตจใจ มันก็มีตั้งแต่ระดับต่ำไปสู่ระดับสูงการทําบุญทําทานนี่ก็เป็นการขัดเกลอกิเลสจิตใจไประดับหนึ่งการรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบมันก็เป็นการขัดเกลาไปอีกระดับหนึ่งแล้วการมานั่งสมาธิทําใจให้สงบก็เป็นอีกระดับหนึ่งการใช้ปัญญากําจัดความอยากต่างๆก็เป็นอีกระดับหนึ่งนี่แต่ระดับนี้มันมีความยากง่ายต่างกันแล้วต้องเริ่มจากระดับที่ง่ายขึ้นไป ถ้าเรายัางทําระดับไง่ายไม่ได้จะไปทําระดับที่ยากกว่าไม่ได้เหมือนเรียนหนังสือถ้าเรายังเรียนชั้นอนุบาลไม่ได้เราจะไปขึ้นชั้นปถมไม่ได้มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปเห็นขั้นต้นพระเจ้าบอกว่าให้ขัดเกาด้วยทานด้วยการทําบุญทําทานด้วยการเสียสละแบ่งปันขั้นที่สองก็ให้ทําด้วยการรักษาศีลศีลห้าก่อนแล้วก็ศีลแปดศีลสิศีล ส, ส, ส, สองร้ี่สิบไปตามลําดับ แล้วต่อไปก็ไปฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้สงบได้แล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนใจให้คิดไปในทางความไม่อยากอย่าไปคิดถึงอย่าให้มันเกิดความอยากเวลาเกิดความอยากต้องคิดให้เห็นว่าการทําตามความอยากไม่ดีทําแล้วจะทุกข์ทำแล้วจะต้องทําอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ทําก็จะทุกข์ แล้วเวลาได้สิ่งที่เราอยากได้มาเดี๋ยวมันก็จากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์อีกถ้าคิดด้วยปัญญามันก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากทําอะไรคําถามจากคุณนิตยาตัวรู้กับตัวคิดใช่ตัวเดียวกันไหมคะถ้าใช่จะทํายังไงถึงจะแยกตัวรู้ออกจากตัวคิดได้คะมันอยู่ที่เดียวกันมันอยู่ในใจแต่เราแบ่งมันเป็นสองส่วนเหมือนแขนกับขาอย่างนี้ แขนก็อยู่กับร่างกายขาก็อยู่กับร่างกายตัวรู้ตัวคิดมันก็อยู่ด้วยกันตัวคิดก็คิดตัวรู้ก็รู้ตัวคิดเราหยุดได้แต่ตัวรู้เราหยุดมันรู้ไม่ได้ตัวรู้มันรู้ตลอดเวลาแต่ตัวคิดนี้เราถ้ามีสติเราก็หยุดมันได้ถ้าเรามีพุทโธพุทโธมันก็หยุดคิดได้รือถ้าเราเพ่งอยู่กับอะไรสักอย่างให้มันรู้อย่างเดียว้ ให้จิตรู้อย่างเดียวให้รู้สีอย่างเดียวสีเขียวอย่างเดียวไม่ให้พิคิดอะไรมันก็จะหยุดความคิดได้แต่มันหยุดความรู้ไม่ได้ตัวรู้ไม่ได้ตัวรู้มันต้องรู้ไปตลอดเช่ไหคําำถามจากคุณบอยเมื่อวานซื้นท่องพุทโธตอนนอนสมาธิจนหลับแล้วตื่นมารู้สึกร่างกายมีอาการยังหลับอยู่ อาการลักษณะนี้คืออะไรครับก็ยังไม่ตื่นนะมันยังหลับก็ไม่ตื่นถามไว้บางทีใจมันตื่นแต่ร่างกายไม่ตื่นก็ได้ใจกับร่างกายมันคนเป็นคนละคนไงบางทีร่างกายมันตื่นแต่ใจยังไม่ตื่นก็มีนั่นเป็นคนละเรื่องกันคนละคนกันคําถามจากคุณบีนี่ดวงจิตสามารถเคลื่อนไปในอดีตหรืออนาคตได้ไหมคะในเกจิอาจารย์คะ่ะ มันก็ไปตามความคิดไงเราคิดถึงอดีตมันก็มันก็ไปอยู่อดีตแล้วเราคิดถึงที่ไหนมันก็ไปถึงตรงนั้นะคิดถึงกรุงเทพมันก็ไปแล้วร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจมันไปถึงกรุงเทพแล้วเพราะใจมันเพียงแต่ส่งกระแสความคิดไปมันก็ถึงแล้วความจริงใจมันไม่ได้ไปไหนนะใจมันอยู่ที่เดียวอยู่ในโลกทิพย์แล้วมันก็คิดไปทั่วโลกทั่วอะไรได้มันไปด้วยความคิดเท่านั้นเองพอหยุดคิดมันก็กลับมาที่เดิม คำถามจากคุณปล่อยวางอดีตอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะว่าการที่คนเป็นแม่ทุกใจเพราะสนใจใส่ใจลูกมากเกินไปจนทำให้จิตเป็นทุกข์เพราะโทระเข้ามาครอบงาอยู่บ่อยครั้งทำให้รู้สึกผิดทุกครั้งที่ไม่สามารถควบคุมจิตให้เลี้ยงด้วยเมตตาได้การได้ด้วยการดุว่าตีอกรงสัมสอนด้วยโทระจะถือเป็นบาปไหมเจ้าคะมันไม่บาปแต่มันเป็นทุกข์ เพราะเราโง่มองไม่เห็นลูกเราว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองไม่เห็นว่าเขาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ตลอดเวลาบางทีก็สอนได้บางทีก็สอนไม่ได้แล้วเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนบางวันก็ว่านอนสอนง่ายบางวันก็ดือ้อเราไปอยากให้เขาไม่ดือ้อเราก็ทุกข์นัเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเขาไม่เที่ยงอนิจจัง อ น, นัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ตลอดเวลาถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราก็จะไม่ไปทำอะไรที่มันเกินความเป็นจริงถ้าสอนก็ไม่ได้ก็ช่างหัวมันที่เราสอนมันก็เราอยากให้มันได้ดีถ้ามันไม่อยากได้ดีมันอยากจะไปติดคุกติดตารางก็ช่างหัวมันเราก็จะไม่โทษเราก็จะไม่ทะเลาะกับเขา <S <S <ๆ>เขาก็จะไม่โกรธเราเราก็จะไม่โกรธเขา <S <S <ừ> ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไป ห้ามเขาได้สอนเขาได้สั่งเขาได้เราก็ต้องหยุดหยุดความอยากของเราแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาแต่เราจะสงสารเขาว่ากรรมขอ ง, ม, งมึงต้องไปติดกูกูก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะกูสอนมึงแล้วห้ามมึงแล้วคําถามจากคุณมายลูกสาววัยสามขวบครึ่งถามว่านรกอยู่ที่ไหนผีอยู่ที่ไหนเรามองเห็นผีไหม เราจะตอบเด็กไว้อานุบาลอย่างนี้อย่างไรเจ้าคะก็อยู่ในใจนี่แหละนรกก็คือเวลาทุกเวลาไม่สบายใจก็เป็นนรกเออเวลาล่าไม่มีร่างกายใจก็เป็นผีไปนั่นเองหมดแล้วเหรอมันแล้วค่ะนั้น เ, เด็กก็มันก็ถามแล้วก็ตอบมันไปไม่ต้องไปสนใจตอบมันก็ไม่เข้าใจามันก็เท่าแตให้มันมีคําตอบให้มันไปคิดกันแล้วกันว่า ถ้ามันจากถามว่าใจเป็นอย่างไรก็บอกมันว่าใจมันเหมือนน้ำที่อยู่ในขวดนร่างกายเป็นเหมือนขวดน้ำใจเหมือนเหมือนน้ำเวลาที่ขวดน้ำพังไปน้ำไม่ได้ไม่น้าก็ยังเป็นน้ำอยู่เหมือนเดิมเวลาเวลาใจไม่มีร่างกายใจก็ยังเป็นใจอยู่เราก็เรียกว่าใจที่ไม่มีร่างกายว่าผีนั่นเองไม่มีอะไรน่ากลัวเราไปคิดกันเองว่าน่ากลัว <สบ>แม้แต่ร่างกายที่กลายเป็นซากศพก็ไม่น่ากลัวเราไปกลัวมันเองเรวอยู่กันมาทุกวันนี้ก็มันก็เป็นซากศพไม่ใช่หรือเพียงแต่มันยังหายใจได้ทำามไม่กลัวมันตอนนี้พอมันไม่หายใจขึ้นมาก็กลัวมันละคนที่เราอยู่ด้วยพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันพอก็ไม่หายใจก็กลัวขึ้นมาทันทีแต่ตอนที่ยังหายใจอยู่กับไม่กลัว มันจะน่ากลัวตอนที่เขาไม่หายใจตอนที่เขาหายใจเพราะตอนที่เขาหายใจได้เขาตีเราได้เขาฆ่าเราได้แต่ตอนที่เขาไม่หายใจแล้วเขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วกลับไปกลัวตอนที่เขาทำอะไรเราได้กลับไม่กลัวไม่มีเหตุไม่มีผลเข้าใจไหมยังไงพาหลานมาเลยลูกชายที่ไปผ่าตัดที่อเมริกานี่เหรอหายดีแล้วเหรอ โชคดีนะแล้วก็ไม่คิดจังด้วยนะไปหาปีและคะ้คอเป็นของหมหาลัยทำให้เหรออาการยฟอร์ดทาให้อ่อเดี๋ยวนี้หายเป็นปกติแล้วอแล้วได้ใบเขียวหรือยังเอเรวเดีครับอ่าเดี๋ยวๆนี้จะได้นะอะ่นี้ก็จะกลับไปเรียนหนังสือต่อไปอ่ดีกลับมาทำกิจารใบเขียวอดีอพยายามถือโอกาสอันวิเศษนี้ เรียนให้สูงสูงหาเงินหาทองมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะอ่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่อุตส่าห์เลียงดูเราทาบเป็นทาบตายอตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแ ล, ะละ้ว่ะชั้ชิวคอน ม, ม, ม, มหรองบ้าอะไรแปลกดีระดับปีไหนแล้วปีสองปีสองอ่อนนาในคณะอะไร อ, อิศวรอ่าดีอยู่ใกล้เซนโตเซนี่แหละ ชื่ออะไรนะ first <th> college อ๋อผมชื่อเฟิร์สไม่ใช่เราโรงเรียนชื่ออะไร Dancer oh, College Dancer <The> เป็นของรัฐเป็น City College ไม่เป็นใช่ๆอ่าพยายามเรียนให้จบนะอย่าไปเกเรอย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นมากเกนินไปนะเรียนให้จบก่อนแล้วจะไปเที่ยวทีหลังได้ไม่เป็นไรนเราได้ ได้ได้โอกาสใหม่จะตายไปแล้วเนี่ยแล้วเคยขึ้นมาใหม่นะเป็นเป็นโรคหัวใจแหละเป็นเนื้องอกเนื้องอกกาะนอกปอดอะค่ะนอกปอดนะออันนี้ไม่มีอาการนะอ่มีต้องกินยาป่ะอ๋อไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วเป็นปกติทุกอย่างรัฐบาลเออของสแตนปอดก็ช่วยไปกันยี่สิบสี่ร้าน24ล้านนะ โชคดีนะะที่เขารับดูแลให้โอเคไปใจวอกาลนี้ให้เปิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะมีคําถามอีกไหมมีค่ะคําถามจากคุณธามวันธรรมดาผมจะรักษาศีลห้าวันพ้าจะรักษาอุโบสถและไปทํางานปกติใจจริงอยากไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดตอนวันหยุดเนื่องจากการที่ไปอยู่วัดมีความสงบและได้ปฏิบัติเต็มที่ แต่เนื่องจากพ่อแม่ยังเป็นหาชัาเป็นคนหาช้าอินค่มวันหยุดจึงกลับมาช่วยท่านทํางานแทนแต่อีกใจก็อยากไปปฏิบัติไปหาความสงบที่วัดแต่ก็ตัดใจไปไม่ค่อยได้เพราะเป็นห่วงทางบ้านรบกวนขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะในการสร้างสมดุลของทั้งสองด้านนี้ด้วยครับเราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนถ้าต้องช่วยเหลือคนอื่นก็ต้องช่วยเขาไปก่อนถ้าเรา สามารถที่จะปล่อยให้เขาช่วยตัวเองได้แล้วก็ค่อยมาช่วยตัวเราถ้าก็ยังช่วยตัวเขาเองไม่ได้ก็ต้องช่วยเขาแต่ถ้าเขาช่วยได้ก็ไม่ควรที่จะไปช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองจะได้ประโยชน์กว่าเขาจะได้รู้จักพึ่งตนเองช่วยในกรณีที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ส่วนการทดแทนบุญคุณเราก็ทดแทนได้โดยที่ไม่ต้องมาคอยดูแลเขาตลอด24ชั่วโมง ก็เรามีเวลาไปทำงานมีเงินก็เอาเงินให้เขาแทนไปก็ได้แต่ถ้าเขาต้องให้เราช่วยถ้าเขาช่วยหรือตัวเองไม่ได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเราก็ต้องดูแลเขาไปตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเขาดูแลตัวเองได้เราก็ช่วยในรูปแบบอื่นเราก็ไปทำงานแล้วก็มีเงินก็ให้เงินเขาไปเขาก็ อ, อกไปใช้ซื้อของจําเป็นได้เราก็ไม่ต้องมาช่วยเขาตลอดเวลาเราก็จะได้มีเวลาไปช่วยตัวเราเองบ้าง คำถามจากคุณส้มคะ่ะเวลาหนูสวดมนต์ในห้องพระจุดเทียนจุดธูปตอนสวดมนต์แล้วเหม็นกลิ่นควันธูปหายใจไม่สะดวกถ้าหนูไม่จุดธูปได้ไหมคะได้ไม่ไม่จุดธูปจุดเทียนไม่ต้องมีดอกไม้ก็ได้การปฏิบัตินี้ก็เป็นการบูชาละการนั่งสมาธิการไหว้พระสวดมนต์นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติบูบชาเท่นเป็นการบูชาที่ได้ผลมากกว่าการจุดธูป จุดเทียนดอกไม้เอ็นด้าไม่มีพวกดอกไม้ทูบเทียนไม่เป็นไรพวกนี้เขาเรียกว่าอามิสบูชาบูชาด้วยสิ่งสิ่งที่เครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ปฏิบัติบูชาก็คือฝึกจิตทําใจให้สงบด้วยการสวดมนด้วยการนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะบูชาให้บูชาด้วยการปฏิบตับติบูชาว่าเป็นการบูชาที่แท้จริง ทำมิสบูชา ย, ยังเป็นการแสดงความเคารพเท่านั้นเองแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากการทำความเคารพเท่าไหร่จิตใจยังไม่นิ่งไม่สงบยังไม่มีความสุขคำถามจากคุณสุดาวันการทำบุญด้วยปัจจัยกับการทำบุญด้วยสิ่งของอันไหนได้บุญมากกว่ากันคะก็เหมือนกันแหละอย่าไปชั่งน้ำหนักเลยคุณมีอะไรก็ทาไปกำลังขี้เกียจ ม, มาถาม่า ของร้อยบาทกับเงินร้อยบาทอันไหนมันจะได้บุญมากกว่ากันมันมันก็ราคาเท่ากันมันก็บุญเท่ากันแห่ะนะแล้วนะมันต้องดูที่คนด้วยดูคนดูที่คนรับว่าเขาอยากจะได้อะไรด้วยไปให้ของที่เขาไม่อยากจะได้เขาก็ไม่อยากจะได้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับเขาให้ก็ต้องดูว่าเขาขาดแคลนอะไรเขาต้องการอะไรให้เขาในสิ่งที่เขาขาดแคลนเขาก็จะได้รับประโยชน์จากเรา เมื่อเรารู้ว่าเราได้ทําประโยชน์ให้เขาได้เราจะมีความสุขมากกว่าได้บุญมากกว่ามีมากกว่าให้ของที่เขามีเหลือเฟือแล้วก็ไม่ต้องการแล้วไปให้เขานี้เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการให้ของเราเนั้นการจะให้มันมันต้องดูหลายด้านด้วยกันดูผู้รับด้วยว่าเขาขาดแทนอะไรก็ต้องการอะไรก็ เ, เดือดร้อนอะไรแล้วก็ดูกําลังของเราว่าเรามีอะไรจะให้ไม่มีเงินมีของก็ให้ของไป ไม่มีของมีเงินก็ให้เงินไปอย่ามาวัดว่ามันของแค่นี้กับเงินแค่นี้มันอะไรจะมากน้อยก่บกันมันไม่มีเครื่องวัดเครื่องตวงอย่างที่จะมาสามารถที่บอกได้ทุกกรณีขอให้ทิดง่ายๆก็แล้วกันทำมากๆ ก, ก็จะได้มากๆทำน้อยๆก็ได้น้อยๆมันก็อยู่อย่างนั้นเหมือนกินข้าวอ่ะกินข้าวน้อยก็อิ่มน้อยกินข้าวมากก็อิ่มมากทาบุญมากก็อิ่มมากใจอิ่ม ใจมีความสุขมากทำน้อยใจก็สุขน้อยคำถามจากคุณพิกผมมีข้อสงสัยว่าเงินที่ถูกหวยใต้ดินและเงินที่ถูกรอตเตอรี่เอามาทำบุญจะบาปไหมครับแต่มีคนให้เอาไปให้พ่อแม่จะดีกว่าไม่บาปเราก็ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยโดยสุดจริตไม่ได้ไปขโมยเขาเป็นการเป็นการซื้อขาย เราซื้อเลขมาแล้วเขาพอถูกเขาก็ให้รางวัลเรามันก็เหมือนไปซื้อสินค้าอย่างแล้วเราพอได้เงินมาเราก็ไปให้ทำทาให้กับใครก็ได้ทำให้กับพ่อกับแม่กับพระกับครูอาจารย์กับพี่กับน้องกับหมากับแมวกับนกกับปลาได้บุญทั้งนั้นข้อที่สองแล้วจะนำพาไปสู่อบายไหมครับอการทําบุญนี้ยังห้ามอบายไม่ได้ จะห้ามอบายต้องไม่ทำบาปต้องรักษาศีลห้าให้ได้ถึงแม้จะทำบุญไปร้อยล้านพันล้านถ้ายังไปทำบาปอยู่ก็ยังไปอบายบุญยังไม่มีกำลังที่จะยับยั้งอบายได้บุญก็จะรอไปก่อนเราให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วจะกลับมารวยเก่ า, กาแต่ตอนตอนนี้ไปทำบาปก็เหมือนกับคนที่ทำความดีมากแต่ไปทำผิดกฎหมายเขาก็ต้องจับไปติดคุก ก, ก่อนพอติดคุกแล้วออกมาเขาก็ จะให้มารับรางวัลจากการทําความดีได้ยั้เมันคนละเรื่องกันเรื่องบุญก็เรื่องของบุญเรื่องของบาปก็เรื่องของบาปบุญนี่ห้ามมาบายไม่ได้สิ่งที่จะห้ามมาบายได้ก็คือศีลคือการไม่ทําบาปเหลืออีกสองสามข้อมีคําถามจากคุณอัมค่ะไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจก็ผ่านไปเลยไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเนะอ่ามีแต่านประท า, านไป ถามนักมรพระผาจานค่ะเอ่อถ้าหนูหนูเล่นหุ้นนี่จะจะผิดศีลั้ยคะไม่ผิดหรอกเล่นหุ้นก็มันเล่นอย่างสองแบบเล่นแบบการพนันกับเล่นแบบลงทุนถ้าเล่นแบบลงทุนก็ไม่ถือว่าเป็นอบายมุกถ้าเล่นแบบเก็งกำไรซื้อเช้าขายเย็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเล่นการพนันถ้าเล่นการพนันก็เสี่ยงต่อการสูญเสียได้ง่ายได้เร็ว แต่ถ้าเล่นแบบลงทุนมันก็ไม่เสี่ยงเหมือนกับเราซื้อหุ้นแล้วก็ทิ้งมันไว้ดูว่าบริษัทนี้ค้าขายดีกำไรดีซื้อเป็นหุ้นสว่วนของบริษัทนี้สิ้นปีเขาก็จะมีปันผลให้เราอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับไปร่วมลงทุนกับเขาแต่เกรงว่าบริษัทนี้หุ้นจะขึ้นตอนเช้าแล้วตกตอนเย็นนี่แล้วก็ไปซื้ออย่างเงี้ยเพื่อที่จะขายตอนเย็นแต่พอดีทันที่ มันจะตกมันไม่ตกมันกลับขึ้นอีกจะขายก็ขายไม่ได้ขายก็ขาดทุนถตาเล่นแบบนี้ก็เรียกว่าเล่นเล่นเล่นเล่นเกงกําไรเล่นแบบเล่นเล่นการพนันค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนวิธีเล่นวางค่ะเอพอยังเล่นยังเล่นเกงกําไรอยู่นะคือคือมีมีทั้งสองแบบอะค่ะทั้งสองแบบแต่แต่หลังๆก็เลิกก็ปล่อยยาวอะค่ะปล่อยยาวดีกว่าเพราะมัน มันทำให้เราเครียดไปเปล่าๆแล้วบางทีก็จะเสียมากด้วยโลภมากก็จะเสียมากเพราะบางทีมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดก็ได้<ะ>เล่นแบบสบายๆดีกว่าเล่นเพื่อลงทุนเพื่อเป็นเก็บสำรองไว้เป็นไรายได้พอๆอย่าไปหวังร่ำหวังรวยมากจนเกินไปค่ะขอบคุณค่ะเอาละนะวันนี้ก็พอดีหมดเวลา